ไปไมรอดกฎหมายที่ไปเป็นคู่เคียงเรียงกันกับธรรมะนะไม่เบ็ดเบือนนะอันนั้นไปรอดนะกฎหมายไหนที่เปี่ยนไปคำพระพุทธศาสน า, นาไปไม่รอดเลยจะถูกถอนออกแล้วไม่ยุคหนึ่งค่ยุคหนึ่งละการตั้งกฎหมายไม่มองดูพระพุทธศาสนาไปไม่รอดชาวโลกชาวโลกไปไม่รอดเพราะตั้งกฎหมายไม่มองดูพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนานี่ะมันเป็นพระพุทธศาสนาสอนโลกแล้วเป็นการบ้านการเมืองครบหมดแล้วพระพุทธศาสนายืนยันทำสองประการเท่านั้นมายืนยันมากทำเป็นโรคกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว กดไม้กดหมูกดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่อูของทำไม่นำคำมือคำหนึง่งก็มติเพิ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ ก, ไไดก็ไปทำในที่รับนะ่ะพระพุทธศาสานาะเอามากินแล้วนั่นน้องปู่เรียนจบชั้นป .2 ขันพอสองัรการที่หกเนอะก็มีอยู่เหมนกันสองพนเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋วเดี๋ยวมาเนี่มาเนย ทำทำคำสอนนันลุดโต๊ะอันนี้เนอะหลุดโต๊อันนี้เนอ ะ, ะเอาอกมาเนอะทำคำสอนเกียวกับลายมือด้วยลายมือเนะอจะจุดวัดที่คำสอนพระพุทธศาสนาไปไม่รอดเนอะลูกหลานเอ๋ยเดี๋ยววันามาบอกเนอะทุกคนนี่เวลาคนมีมลไป ไปเข้าไปนี่แหละลงปูลงไปทุกวันลงไปข้างล่างลงไปชั้นอาหารข้างล่างแต่เวลาขึ้นมาเขาหามขึ้นมาพระหามขึ้นมาเวลาขึ้นมาเวลาลงลงไปคนเดียวมันเป็นมาได้สี่ห้าปีได้สามสี่ปีได้โรคหัวใจด้วยแล้วโรคทุ่งน้าดีเป็นนิ้วด้วยโรคลกูลกมากโตด้วย แล้วก็โรใส่เลื่อนด้วยมีโกรกหลายอย่างก่อซ้ายเดียวกัน้ายเดียวกับพูหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเป็นชั้นพี่พชายเราเป็นชั้นนอกชั้นชั้นนอกชุดท้อง ลองภูเทีนท่านภูชายลูกปูลูกปูฟันก็เหมือนกันลูกภูฟันลูกภูท่นฟันท่านกอดเป็นท่านท่านพี่ชาย อนนาจจะผนพิจะธสองสามหน้าว่วงเนาะอ่านด่ว น, นเมือุูเล่าบา้านเมอก่อนคือึภาพใ้ก่อนสป่ามันมันเป็นเกก็เป็นาท้วาเป็นกางแต่จเื่ออาจจะจลปูรู้จะรู้เรื่องนะจก่อนแล้บ้านเมืองนรู้รู้ดีรัชตันยูรู้ราทีนานรู้ดิน เป็นชุดนี่นี่เป็นชุดยังไม่เป็นชุดเนี่ยไม่เพเหมือนเหมือนเหมือนพเพราะมัน พิมคนละั้งพิมคนละข้า ง, งเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนลึกซึ้งคําสอนใดๆในใจโลกทานไม่เป็นเมืองขึ้นคําสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ในตัวแล้วไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ไม่รู้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของธรรมทั้งหลาย ทำไมจึงนับถือพระพุทธศาสนาะเพราะคำสอนมีเหตุผลพอไม่ได้สอนแต่เพียงวัตถุนิยมสอนอุดมคติความประพฤติด้วยถ้าคนเราความประพฤติไม่ดีเอาเงินเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินมาให้ใช่มันก็ไม่พอใช่ถูกไหมนั่นความประพฤติมันของสำคัญมากน้าห้อยน้องคลางเบืองบางต่าง ไล่ลงสู่มหาสมุรทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดเทียมในทางลึกซึ้งเพื่อให้คํานึงในลายทางน้าห้อยน้องคลางมือบางต่างๆไล่ลงสู่มหาสมุรทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอน ใ, นใดๆก็ไล่ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกเทียมในทางลึกซึ้งเ่ยเทียมในทางสูงเลยเข็มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใด คำสอนใดๆในใตดโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนของพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกอเอา้าเพียงเสียงฮาเท่านั้นแหะถ้าโลกไม่เสียงฮาทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีเอา้าเออตำรวจไม่ต้องมีในโลกถิ่ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีเวรยามก็ไม่ต้องมีเอา้เอาอาือถ้าชาวโลกเนี่ย ไม่ต้องเรียนมากเราก้นหมายเอาให้ถูกเสียห้านี่ก็เอาเถ อ, อะอาอืมส่วนเสียค่าภาษีอากรมันเป็นธรรมดาต้องเสียข้าเจพ้พีเสียค่าเอข้าเจะาพีถอยเป็นหลวงมีเสียค่าอากรเป็นต้นมันมีในในพระมีนายชั้นโบราณก็ต้องมีกรรมและผลของกรรมให้ผลไม่ลําเอียงและไม่จบกเกษียณด้วยนี่สําคัญมากเ่ยออ ใครจะใส่ชื่อหรือนามถูกหรือไม่ถูกก็ตามใครจะตัดสินถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยกรรมและผลของกรรมยังตามและยังละอ้อก อ, อ, กอีกอยู่เป็นสารดีกาและสารอุทธร อ, อยู่ภายหลังนั่น <c oughs> นี่แหละยอมจะแท้เนี่ยยอมพระพุทธศาสนาลึกซึ้งถ้กรรมและผลของกรรมไม่นิยมว่าชาติชตั้นวรณะไหนๆเลย <c oughs> เธอจะบัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ย นลลมมลกกลและผลของกรรมตามเสมอที่ทําดีทําชั่วหลักกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่เห็นสั้นเห็นในั่นจริงปฏิเสธพระพุทธศาสนาไม่ได้พระพุทธศาสนาเป็นธรรมารารรมาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยธรรมมาทิปไตยความเพนธาม็นใหญ่โลกาธิปไตยกว่าดีอาจาธิปไตยกว่าดีเป็นเมืองขึ้นของธรรมมาธิปไตยธรรมมาที่ปไ ต, ย, รรปตยเป็นดิ่งของโลกช่างก่อสร้างก็าตาม จะไปเรียนมาจากประเทศนอกก็ตามจะสอบได้ปริญญาไหนก็ตามเถิดจะทิ้งอาจารย์เดิมไม่ได้คือดิ่งทิ้งดิ่งลงมาวัดจากสวนขอบสวนกลางไปเท่าใดนั่นเอาเป็นเกณฑ์รับนับหน้ามาเครื่องวัดเครื่องตัวงเรามานั่นทิ้งไม่ได้อ น, นีชั้นใดก็ดีการตั้งก้อนไม้ก้อนหมูเขาพักก้พวกก็ะตองมองมองดูพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มองดูกะไปไม่ไหวเนี่ยเรืองจรงพระเมรันของพระมีอยู่พระพิฆเนศตายแล้วต้องเป็นของสงฆ์ใครจะมาฟ้องไม่ขึ้นความเมรัมนของพระเนี่ยไม่ได้ยุดหย่อนตามชาวโลกเลยหวเคยทราบเรื่องที่พระดงเย็นกับพระต้องปู่ฐานกับ โอ้ไม oh. ่สัตหีบเป็นยังไงฮเป็นความเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรโอ้ก็ในเงินบ้างด้เงินบ้าที่ผมได้ข่ว่าทางสายันมีผลิตกักัน พุทธชนพุทธถ้าว่าต่างฝ่ายต่างเคารพนับถือว่าพุทธศาสนาแล้วมันก็ลงกันได้ ถ้าต่างฝ่ายต่างจะเอาแพ้เอาชนะกันอยู่มันก็ลําบากเหมือนกันถ้าเอาความเป็นธรรมมันก็ไม่ลําบากถึงไหนไม่เป็นธรรมทำรรแล้วก็แล้วไปเอาแพ้เอาชนะกันอยู่มันก็ลําบากเพราะพระพเจ้าองค์ไหนๆก็มาสั่งสอนอันเดียวกันทำความสอนของพระพเจ้าไม่ได้คนละไอยุกยุบๆไหนๆประทามเพราะพระพเจ้ามาทุกๆยุบมากกว่าร้อยโกรธพระ อ, องค์แล้ว แต่ล่วงไปแล้วจะมาอีกก็มากกว่ารากูดพระองค์อันนกสัสซา ต, ตโพธิยมากกว่ารากรูดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นมีทำม่วยม่วยในอันเดียวกันทุกทุกโองเลยถึงจะมาเป็นยุคเป็นคราวก็เพ่งอันเดียวกันเลยสิ้นหน้าสินส้นแปดสิ้นชงร ย, ยเกียเหมือนกันกล้มาบทสิบเหมือนกันสมาธิเขาเหมือนกันปัญญาเขาเหมือนกันมีความคำหมายอันเดียวกันเกิดแกแคบตายก็อันเดียวกันมาเทศธรรมจักรภพตนสูตรก่อนเพื่อนก็อันเดียวกัน ดังนั้นขอความเป็นธรรมจะขอจากกับศาสนาไหนก็ต้องขอจากขอจากศาสนาพุทธสิความเป็นธรรมเพราะศาสนาพุทธถึงบัญญัติธรรมถูกศาสนาอื่นไม่ค่อยถูกบัญญัติสิ่งที่ไม่เป็นบุญว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่ไม่เป็นบาปว่าเป็นบาปก็มีไม่เหมือนทั้พุทธศาสนาเนี่ยนั่นทั้พุทธศาสนาเป็นธรรมาธิปตย กดหมายกดหมู่กดพักกดพวกที่ออกไปนี่ก็ออกไปจากพระเปไนรแก้ไขได้เรียกสเตกิดฉาแก้ไขไม่ได้เรียกอเตกิจฉาออกไปจากนี่หมดแล้วอะคิดตะกอะิตก ะ, กตกะทุกวันทุกวันพขาบรมศาสด า, า, า ร, รับฟ้องอยู่ทุกวันเพราะมีผู้ฟ้องกันฟ้องอาบัติจำคัดพิเศษบางอะไรเช่นบ้า ง, าางอะไรบ้างสารพัดยุก ผสมลุกมัชชิมาการไม่ใช่กยุบต้นยุกต้นไม่มีใครฟ้องหรอกประธานชิศสยังไม่ได้ตั้ ง, งท่านารชิศเสียทีสามยังไม่ได้ตั้งยุกต้นะเพราะมีแต่ผู้ที่เหลือน้อยมาบวชแล้วก็สำเร็จเอาซะสำเร็จเอาซะเนี่ยุกต้นะลุกกลางสำคัญผู้โจทย์ต้องโจให้มีมูลรัก แ, แห่งมูลนั่นสามอย่างด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเอง ดยมีผู้บอกได้เชื่อว่าตามปจริงโดยสงสัยใะรังเกียจข้อความขึ้นไม่ดีเรียกว่าโจดมมูลโจดได้มีมก็ตรงกันข้า ม, าาามาไม่เชื่อก็มาอยู่แล้ว่ะาศาสนาพระศรีอาร์ตมาอยู่แล้วเ น, นี่ยศาสนาพระศรีอาตพระศรีอาตก็ได้มาบวชอยู่กับพระสมัยพพุทธเจ้าของเราชื่อว่าพระอาชิตะนะ เดี๋ยวนี้ท่านตายไปตัวที่ท่านรู้สิทธิ์ตื่นขึ้นมาท่านก็ไปไหว้ธาตเจเจเจ้าจุลนามณีทุกวันทุกวันพาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็ตแสนโกดไปทุกวันทุกวันไปไหว้ธาตุเจเจเจ้าจุลนามณีอยู่ทุกวันท่านยังไม่มาดอกคนทั้งหลายพูดโกหกกินขนมเขาเฉยๆหรอกมันจะได้พอสามสี่วันงั้นไม่ไม่ได้พอสี่วันดอกสามสี่วันดอกเนี่ย มันไม่พอสามสีวันอีหยังดอก <c oughs> เพราะเหตุได้อ่ะเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งในชั้นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเน้อเนี่ยในชั้นดูซีเนี่ย <c oughs> ได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่บาป <c oughs> ถ้าเราบวชมันก็บาปเหมือนกันนะถ้าเราทําบาปอ่ะไม่ใช่มันไม่บาป <c oughs> <c oughs> ผู้เขาได้ผู้เขายกข้ารวาสเขาได้ทสวดาวันก็มีเขาได้สักกะาคามีก็มีเขาได้อนาคาเมก็มีเขาได้พระรหันก็มีพระสุโธทนาได้พระรหันจาเร็จพระรหันไม่ได้บวชเลยพระสุโธทนาก็จริงอยู่ได้กัพ่อแม่พ่อแม่ก็อนุเทนาจริงอยู่เราไม่ได้บวชไม่บวชีกพ่ ก็พ่อแม่ก็ไม่ได้เราไม่บวชคุณเบิดาบรรดาเปรียบเหมือนคุณพระทหานเพราะฉะนั้นพระบรมศาสตร์สนายจึงไมไ่จริงได้สุกายสกใจถ้าเราโอเทีชให้ถ้าท่านรู้จักว่าเราบวดท่านก็ได้รับ ถ้าท่านไม่รู้จักว่าเราบวชท่านไปเป็นเปรตเป็นผีเกินไปซะแล้วครับเพราะอาหารเปรตผีมันไม่เหมือนอาหารของมนุษย์ไม่เหมือนอาหารของทิพย์ท่านก็มาได้รับได้วบวช ด, ด้วยแล้วก็ได้สั่งสอนด้วยได้บวช ด, ด้วยได้สั่งสอนด้วยได้บวชวุฒิบุญกุศลให้ด้วยได้สั่งสอนท่านด้วย สำหรับหลวงปู่นี่ยใช่นี่แล้วสองพันสี่แปดสิบหกมัณดามานภาพมัดามัดาภาวนาพุทธโธเนะพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจอย่าให้พูดออกนอกพุทอยู่กับนี่แล้วพิจารณาลงกับนี่เนอะพุทธโธอยู่ที่นี่ธรรมโมก็ะงลงหยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่ อย่าให้เย็บออกพุทโธอย่างที่ใครเป็นผู้ว่าพุทใครเป็นผู้ว่าโทก็คือพุทโธพาพาว่าพุทโธอยู่ท er ี่นี่พุทโธอยู่ที่ข้างในอย่าไะสงค์ออกใครเป็นผู้ว่าพุทก็สังเกตคนนั้นใครเป็นผู้ว่าโทก็สังเกตคนนั้นสังเกตอยู่ที่นี่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ประมาณหกยึดนาทีไม่ค่อยพุทโธอะ พูดโทรเลขพุดโทราพุโทธบัตรพูดโทเบอร์คนทุกวันเนี่ยไปก็เลยครับเพลงก็เลยมาลกันแ่เออแล้วแต่ผู้ศรัทธาเขาผู้ศรัทธาเขาเอาไปเพลงพิมเองเขาพิมมาให้เองเราไม่ต้องไปวุ่นเขาถ้าเราไปวุ่นเขาเขาเรียกว่าไป ขูดไปเก่าเขาเขามีรัทษะเขาพี่เองหรอกรว่าอย่างนี้เขามีทัทษะเขาพี่เองถ้าเราไปขูดขูดแปเก่าเขาแล้วเขาไม่เอาให้ซัำเราอยู่เฉยๆนี่ปัญหาข้อหนึ่งยังแก้ยังไม่ตกยังคากันอยู่นี่อ่านดูนู้นใครตาดีอ๋อตาดีเหร อ, ด, อ, ด, อดังๆสิไม่มีคำรับดอกหลวงปู่ ซม่งกับเียงมีเงนเพเ็ุนรก่ม็กระทการตรวจรักษาการอักเสบสมาการรักษาในปัจจุบมาเป็นควารู้ที่าบกับผมศาสตราจารย์ในแพทย์ศิริารยแดีที่บหารอะไรนั้นควรที่เรับความไว้วางใากถ้ารูากทุกแบเกิดขึ้นกันอยู่แล้เทั้งหมดขนาดจะได้ดูแลรักษาภาพแรกางอักเสบของาพที่สุดเป็น่โตร่ชายและร่มข ดีกวาดีกว่าที่ลงทุนให้ยอมเสแตแล้วก็ลงนต้องสปชานที่จะสถาองกรธใจที่้ว่าสเแนเสียาเสว่าเพื่อปชีชีวิตเพื่อราชนลงทนสัจจะสัจจะปานมัทธาปานมสัมปันโนสัจจะของลงทนนั้นเป็นความตั้งใจความตั้งใจท่านเอง ตนัใจปูจะไปนี่ก็คิดว่าไปก็ตีายันอแต่ลงปูมันต้องรับตาไปลืมตามาได้นะตามเวลาไปต้องรับตาไปมันละอายที่เวลา เป็นไรครับไปแล้วเอาก้าิดภาพเลยครับตลับตาไปเอาผ้าผูกตาไปเไม่ไวหรอกไม่หวหรอกไม่ไหว้รอกผมว่าลูกปูไปรักษาจะดีนะครับว่าลูปูเว่ติรอกจะตเป็นเพราะตอนลูกปูให้สัจจารูปูไมเด็ดไม่เด็ดมีโรคโอภาษโรคกระเ ลแซ่บายายก็ตรงิตรงใจด้วยน้องกปูไม่ได้ประกาศไม่ใช่หรอกล็ลปูเป็แต่ความตั้งใจไว้ในใจไม่ได้ไปประกาศที่ใครทราบก็มีอยู่นชี้ว่าประวัติเนี่ยก็มีอยู่นชี้ว่าประวัติว่ามาว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลแลไม่าไม่ตัดมันมีในชีว่าประวัติเ <ไป S 2> นี่ยก็ได้นะล็ปูไม่ไปแต่ลปูคนอื่น็อกูาไปไปเอา ไ, ไม่เอา <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่ผมจะให้ผู้กับผู้น้าร้านมาถามลอปูเลย มา่าวเขาม่มามามามาไมมามาเขามาใช่ามาใช่ไหเรียบเรียบชา้านเขามาช่มเขาเห็นเจ้าเหนนายเขาหยาดไงแต่ว่าคาสัตว์ไม่มีคุณค่า คือทับไม่จเป็นัดี๋ยหลโอ้ไม่ไม่ไม่ไว้รอกไม่ไหรอกบวดมาเตยน้อยก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ขณะนี้ยังยังจะมาปินไปอยู่อ่านี่บวดมาเต่น้อยก็ไม่เลือน้อยองคลุงปู่ที่แปดทิพับแล้วคน คนกรุงเทพไม่ใช่คนง่ายๆคนรองพระเก่งเหมือนกันนะผมเก็บไม่ใช่ง่ายเขาเอาหลวงปู่ไปรองโรงพยาบาลชิมิเตเวชั้งหนึ่งแล้วนะหลวงปู่หลุดมาหึวงป่ว่าไปองเอซึ่งเจ๊งว่าจะถูกลองเองหลุดมาได้ผมว่าถ้าหลวงปู่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปสี่ยอนะมอไปที่หมอที่ คอนค้อนอย่างน่้นไปตรวจอยู่หรอกไปตรวจแล้วครับมาในวันนั้นไปในวันนั้นเขมาในวันนั้นอ่ะถ้า ใ, ในมู่โตมาใช้รงานเอาอย่างนี้นมูผ<อ>ูไม่ต้องไปอลงนบ้านไม่ไม่ไหรอกเพราะว่า <c oughs> นอนอยู่ที่กรุงเทพนอนที่ไหนก็สมาทาหมดแล้ว ไปนอนอยู่วัดอื่นก็สมาทานแล้วไปไปสักไปนอนอยู่เพื่อรอปฏิบัติเพื่อรอรักษาตัวเองอย่างนี้ก็ก็ไม่ยอมเพราะสมาทานหมดแล้วรัดรัดทิฐิของตนหมดแล้วผูกมัดตนแล้วข้าว่าข้าว่าผูกมัดเข้าในห้องแล้วปิดประตูเลย กูเขียนกว่าสนุกเขียนนีเ <c oughs> พื่อตัวล้วไปมาไว้ว <c oughs> วเราเพราะเราแก่แล้วพิจีตรพิถันทําให้เสียทัตย์เราไม่ดีท่านเป็นผู้ทรงพระมหากรุณาลึกซึ้งท่านก็ทํ า, ทาทตามหน้าที่ของท่านแต่เราจะให้แต่ท่านลึกซึ้งอเราเป็นพระเราไม่ลึกซึ้งไปใหญ่ก่นอีกแล้วเนี่ย ไปรออีกแล้วที่นี่เราเป็นพระแท้ทำไมเราเป็ลึกซึ้งเลยแยท่านยังลึกซึ้งกว่าเรานะท่านยังมาทําท่าทําทางเอาเราไปแต่เราไปโงพระท่านไม่สมาทานเราสมาทานแล้วถ้าเราอยากไปก็อยากสมาทานสินั่นเราสมาทานแล้วก็ต้องทําตามทําตามคําสมาทานของเรานี่ยไม่ไม่มีทางแก้ไข คนเราต้ออยกจะคนเรานี่ยถานีบ้าบ้าบ้าแน่บแน่ครับอยาหลง pues <aa> ูเน <aa> ี <aa> ่ยาเิวยเ็บี่นถ้าหลงู้ไม่ไปโรงพยาบาลชาวบ้านเาเามาถื้ามาปาาหลงู้ี่าเที่าไม่ได้ครับแล้วก็อยากจะให้หลงูหายวันอยาจอยู่็รอรที่่้ว้หลงผูไม่ยอมไปในหลงผูก็เหมือนบ ไ ม, นนไม่ไมทำให้เขาเดือดร้อนะไม่ทำบาปเขาก็มีเกณฑ์ทำบุญให้เขาทาบุญให้เขาพอลูก <c oughs> เพราลลุงปู่รู้จักประมาณตัวเพ่ให้ลูกหลานยุ่งด้วย <c oughs> ทำบุญให้เขาไม่ใช่ทำบาปให้เขาหรอกเ <c oughs> พราะคเขก็เดือดร้อนเาอยพราะมันแปดเสียบแล้วอายุนะหลายคนขึ้นมาเียปู่ไปบนนี้นนะ้าติดใจก็ไม่ต้องทำบาปว่ ไม mm, e ่มาเที่ยวมมาอะไ่างไม่ต้องคิดเร่ออะไรตาลงปู่หายจากโรคภยไขมีชีวิตอยู่อย่างนี้เอ่างลวงปู่หายนะฮะร่ัดูบนชีวิตของลงปู่มีอยู่ครึ่งเวนาทีเท่านั้นน่ะเหลือทั้งนั้นเป็นอดีตนาคต พวกห น, นุ่ยนาถือการเดือดร้อนนั่นเป็นอดีตอนาคตอดีตเป็นร่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงไม่ไม่ยอมรับสัจธรรณมัทธะพารามิสัมปันโนจะเสียชีวิตด้วยสัจจะก็ยอมรับาอาธิษฐานธรรมมัทธะพารามิสัมปันโนจะเสียชีวิตด้วยอธิษฐานก็ยอมรับ อานทานต่อความจริงใจของ ต, ตนชัดจะคมจริงใจคือพืชสิ่งใดก็ให้ได้กินถ้าจริง <S <S ร ก, กงระเพราะทุกๆเร่เกิดลำบากไร อ, อันไรไรอ ย, อยา่างแม้ตัวของเราก็ฝืดเน้อสาเราก็ไม่ชอบด้วยถ้าว่าเป็นเทราวาสไปไหนเราก็ชอบไปเพราไปโรงพยาบาลสูงๆเท่าไรก็ยิ่งมีหน้าเมตตาเทราวา่าสพระไม่เป็นอย่างนั้น ลำบากหงเกียงใจลูกเสียดอีกมีโรงกาลงผู้จะตามรักษาแล้วก็นักใจแล้วเขาไม่ไปก็ดูอะไรกับเขาถูกแต่รักษาี่รักษาู่รักษารักษาอยู่ เร่อกัไปทำภาษายวัอยู่เออนั่นะมันยยิ่งไปใหญ่ละยิ่งไปใหญ่ละอเป็นาว่าหรือเป็นมใจเท่านอะนเนี่ย ของเท่านี้ปฏิบัติไม่ได้จะไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงคำสัพเท่านี้ปฏิบัติไม่ได้ไปพนิพพานไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ฉะนั้นจะทำดีได้ก็ทุกอย่างอยู่ก็ต่างคนต่างรักษาองค์ท่านก็รักษาธรรมะอย่างลึกขององค์ท่านเราก็รักษาธรรมะอันลึกของเราเอง คนละธรรมะคนละอ่านองค์ท่านมีหน้าที่ไม่ีหน้าที่จะดูแลนาำสติกําลังของพระ อ, องค์ท่านแล้วก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามธรรมะของเราที่ตั้งสัตว์เดีย๋ยวไปเห็นอย่าให้โรคเห็นขี้เถือ่อถ้าเราไปล่วงละเมิดคําสัจก็เรียกว่าไปเปื่อยกายแล้วจึงตายเปื่อยกายแล้วก็ตายให้โรคเห็นขี้เถือ่อถ <c oughs> ูกไหม หลว่ดาววตองีวดาวาว่าจท่ไม่ไม่สามารถดังไม่สามารถไม่ามารถล้บก็พูดไปตามตามธรรมะตรงๆของสัน เป็นธรรมยามของท่านที่จะดูแลพระเจาา้าประสงค์ถูกแล้วองค์ท่านทำแต่เราทํำก็ถูกของเราทุกคนถูกคนละอยา่างข้างๆที่หนึ่งข้างๆที่หนึ่งไปจันทรบานม า, ม า, มาคุณหมออดมมาที่นี่เน้ะคุณหมออดอมมาที่นี่ เคยเป็นรัฐมนตรีคุณมังอดมเคยเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลศรีราษฎรนะนี่เหมือนกันจะมาผ่าตัดจะมาผ่าตัดที่นี่ไม่ยอมนึกว่าจะเอาไปผ่าตัดที่หลวงปู่ฟันเราจึงจะเอามาหลวงปู่ก็เลยไ ม, ม่ยอมเราเถียงกันอยู่นี่ แกโมโหแกก็บอกว่าโมหะสัจจะแกโมหะสัจจะโมหะสัจจะต้นลูกๆหลานท้าไม่เล่นเลข เขอมาเอ่อแงติด้อยะนละตนะติดหนแล้วเข้ามาเออเออรรดรอดรอดรอดรอดรอดรอรอรอรอรอรอดรอรอดราดรอดรอดรอดรอดรอดรอดรอออดรรอดรอนรอดร้อรออดรอดรอดรอดรอดรอดรอดอรอออ ว่ากันเป็นทุกเป็นชุ ก, ชกนักเรียนนักปฏิบัติ ด, ด้วยอยให้เป็นนักเรียนไม่เป็นนักเรียนและนักปฏิบัติ ด, ด้วยมีแต่เรียนไม่ปฏิบัติควมาพฤตก็ไม่ดีความปรพฤติ ด, ดี มันเป็นเสนยอยู่ในตัวมันเป็นเสนคนคุณความดีอยู่ในตัวความมุขช่วมันเป็นอ ป, ปามงคลความดีไม่ค่อยจะไหลเข้ามาหาเพราะความความชั่วมันไปนกีดขวางซะเลยฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงย่นคําสอนลงมาว่า จงทําจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเทศอยู่ 4, สี่เจ็ห้าภาษาก็มีแต่บาปกระบุญเท่านั้นขัดกันอยู่นั้นก็มีแต่ชั่วกับดีเท่านั้นขัดกันอยู่นั้นพยายามทําจิตให้บันเทิงในความดี ตอนไหนๆความเชื่อตนนั้นๆมันก็ละไปด้วยอาตนะเหียอาตโนนาโถตนเป็นท <im ี่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจก็มีความหมายอันเดียวกันนอกจากใจไม่มีอันไดจะเบียดเบียนใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไดจะเป็นที่พึ่งของใจได้นะนอกจากใจก็ไม่ไม่มีอะไรจะรู้เท่าใจได้นอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะสอนใจได้ ทั้งหลายย่อมหาที่พึ่งแต่ที่พึ่งอันกเกษมก็คือพระพุทธศาสนาเท่า น, นั้นพระพุทธศาสนาสอนให้ลกชั่วทำดีไปจนถึงพระรหันต์ทรงพนามวโล ก, กวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรโภพนิสาธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษ แล้ฝึกท่านผู้อื่นเหมือนนายสารีฝึกมากและฝึกตนเองชักษาเทวมษษษนุษย์ทงเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทุกยุกทุ ก, ทกสมัยทุกการทุกเวลาใครจะลู้ตัวไม่ลู้ตัวไม่เป็นปัญหาคําสอนแต่ล ะ, ละวรนษละบาทคล้ายๆกับว่าร่องตะโกนอยู่ไม่มีกลาลันกลางคืนลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยลูกเถิดลูกเถิดลูกเถิดจะไปพาใครไปเล่นเล่เลี่ยนผาเล่นบัตรเล่นเบอร์มาก ทำมาหายเย่างชีวิตให้มันชอบเถิอนลูกหลานเ อ, อ๋ยคล้ายๆก็พูดอย่างนั้นล่ะคำสอนแต่ระบอระบาดนะไม่เขาก็รู้จัดอยู่เขาไม่มานข้ตรงๆเนอะเขากลัวลกปลูกไม่ได้บอกเขาล็กปูกด่าซ้ำ โทรหาส้มพูดโทรหาส้มนี่นี่นี่นี่อ่านชี้ก็ไม่อยากไปหาอ่านชี้ก็ไม่อยากไปหา ก็มีความหมายเดียวกันนั่นแลการเอาบยมุกคคมากับการสร้างหมาเวียนมมีความหมายเดียวกันายมุกุกักับโกาินามัมีความหมายเดียวกันายมุกุกักับวิบัติสวิบัติทิบัติก็มีความหมายเดียวกันเสบยมุกกับนให้ี่เดียวอรเาสนา้องมีทำา ดูมองไม่เ oh, ห <cond> e ็นทในอวัยวะจะเป็นผู้ปึงใจะจะเป็นผู้ถึงใจระแพ้ยอดติดเป็นได้ดาวขาวราวสว่างไม่มีเมฆแต่มองไม่เห็นดวงดาวจัดประจันอาทิตย์เต็มกู้ไปถึงใจระคนกอย่างนั้นใจบางท่านอานแล้วนึกโกจมเอาโกรธแต่แตหาให้สัตในโลกนี้มันเต็มแล้วไม่ทำดับจั้ไปแล้วไม่ควรทมาสาวเอง ลืมขอดลืมตาหรืสุราตัดต่อซุ้มยืนแข่งได้ดีเลยแข่งได้ดีเลยตัดต่อทำซุ้มข้าร่ำนำามากมายอืมอืมอืมอืมตัดต่อหัวไว้ผมอาเจียนนีจะไม่รเลยตัดต่อทำซุ้มข้าร่ำนำมามากมาย เวลาทผู้มาะรับเป็นอครับผู้รับผู้ผู้ใจึงแล่พิจารณาดถองใม่นวละมิจฉาอาชีวะใครไปให้หวยของ เ, ขเป็นมิจฉาอาชีวะเรื่องชีวิตไม่สมควรไม่ใช่สัมมาอาชีวะ เป็นไม่ช้าอาชีวโวไม่ใช่ส ม, มาอาชีวโวส ม, มาอาชีวโวเรื่องชีวิตชอบไม่ถูกคำสอนแต่ละวัตราบาดของพระส ม, มาธท่ธานพรเจ้าะเป็นของใหม่ๆเปิดออกเวลาไหนก็ใหม่ ปฏ like ิบัติอะไรครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเกาปฏิบัติเพราะไรปฏิบัติเขาเลยบอกว่าลูกปูบอกมาให้ปฏิบัติปฏิบัติเพาะลูกปูอยู่บนเขายังไม่รู้ว่าให้แขกให้บานให้ขับยังไงทั้งหนี้เป็นป e. ัญหาเรื่องของที่ มันจับกลองขาด่ไปในนั้นมันมีทั้งแสงทั้งเสาเครื่องล่อสารพัดเล็กขนาดเล็กขนาดนี้เขารอดได้กำลังรอได้โลก้าไม่ควรรมโบกา้าไม่ควรดมตั้งใจเรียนหนังสือมันก็ไม่หเรื่อง ถ้าไม่จัาตั้งใจเรียนหนังสือเรื่องมันมากถ้าตั้งใจเรียนมันก็สอบได้นาะ พ, พระบรมาส า, าสรากาได้เรียนเหมือนกันเรียนกับครูวิศวามิตระอายุเจดปีไม่มีพระราชากรมานอื่นจะเทียมถึงถ้าจะเอาทางยกของก็สู้องค์ท่านไม่ได้ถ้าจะเอาทางยิงธนูก็สู้องค์ท่านไม่ได้ ถ้าจะเอาทางวิ่งก็สู้องค์ท่านไม่ได้ถ้าจะเอาทางลายมือก็องค์งท่านไม่ได้สู่องค์ท่านไม่ได้เอาทางยกของหนักก็สู้องค์ท่านไม่ได้ไม่มีใครสู้ได้เลยเพระรประาศาสดวิศาวามิตรอายุยเปี์ไปรเรียนพระเศรษาได้รับการศึกษาอย่างไรบ้าง วายงมีเถวาปุริโสก็เพียนไปตะพึตตะพือนความสำเร็จอยู่กับความพยายามก็คือความเพียร น, นั่นเองเขาพยายามไปทางผิดมันก็สำเร็จเหมือนกันแต่ให้ผลต่างกัน แจกให้เพื่อนเพื่อว่าไหนบ้าผมอยากให้ารับกับออนับเองครับออ๋ อ, อ 也完了吧？也完了。好，别了，来趴三遍完了。趴吧，怕吧，趴吧，趴吧，怕就。啊啊，别上课啊啊啊，好嘞。好 พวกลู ก, ลกลหลงร้านเพศหญิง่งให้ผู้ชายขอไปให้พวกผู้ชายเอาไปให้ไปพวกผู้หญิงนั่นถ้า่านั้นมามามารับเอาเนี่ก็ได้หรอหมัอ้ยยังไม่ได้นะเอาสัะ นี่นี่นี่นี่ <ok นี่นี um, okay. ่อาศัยน okay. ี่ใคนคุณอาศัยกำลังรอประวัติรอประวันะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ปวดแล้วหรือยังนอนนี่ขวดแล้วหรือยังนอนนี่เี๋ยวนอนนอนนอนนอนเออพ่อบันเท่าอยอะเดี๋ยวเดี๋ยหนั่งนั่นเบามาอันเพชรบุญลรื่มมันท a ดเนี่ยไม่อันบ่หน้าบ่อ บ่าไงว่ามันโตเบาเรื่มถัดมากวันบ่าม่ันบ่ล่านใดกาะล่ามขายอันรดอยเอีดย่อ็ดแทนบ่ร้อยเอดบ่โอ้ไม่อันลักษ่ะโอ้แปลว่าอันรื้อันนี้ที่เสนอันนี้ล้วงผูกเก็บไปอยู่ในนอกรื้อมานี้ยล้วงผูกเก็บไปทึ่ง เดมาหายจากของนอกโซเห็เครื่องพวกของเรือหัดตกอยู่ถือเอาเป็นของเก็บได้เองก็ดีแค่ผู้อื่นือเอาก็ดีรอกไวก้จะตีไม่ไม่แต่ของนั่นตกอยู่ในวัดหรือที่ไหสต้องเก็บไว้เก็บของถ้ามันเก็บต้องทุกกดนันมีอยู่ทวนายไม่รอกันนี้พืน่นไ้บัสอนดีท้าพองค์เจ้าข้าขอดอกลูกหลานเลย ส่วนผัวกับเมียก็อสอนด้วยเกน้องนับถือว่าเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิน่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วให้เครื่องแต่งตัวสามส่วนภรรยาดัดการงานดีสองสองเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาในว้ข้อห้าขยัไม่เกียคร้านในกิจการทั้งปวงนั่นถ้าผัวกับเมีย เขาเรากัน่วนนี่เราการทะเลาะบาบางมันจะมาจากตัวไหมันกับบ้าแหละว่างะเกานี่เปเรื่องผัวบอกเพราะว่ามันเป็นน้ำ้นเนาะค่ะน้ํา้นใครจะเปรียบเทียบน้ำกัน เป็นน้ำข้นเนาะเป็นน้ำสมานกันบอดีสมานไปกันถ้ไปขัางน้าธรรมะมันกับของมคัดของกันนันเรียกว่ลักเลียนสาวสาเออแล้วนี่กับผลลักเรียนบ้าสาอนี่มันทะเลาะกันมันก่ซื้อกันว่าซักซื้อก็กัน วิ่งเพศของผู้หญิงอันี้เอ้าเอาเอาไปรักเอาไปฆ้าแน่ๆข้าฆ่าศาสนาไปข้าอะฮะไม่ไม่ไม่ไม่ยืดสิงไหนที่ฆ้านราพุทธศาสนาไปไม่ยืดอ่ะไม่ถูก นี่นี่ดิฉันยะดิฉันยังได้ทั้งคู่นะแตงงานกันแลสามีเดินหาเลยนะภรรยาเดินนี่นี่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวนี้นะฮะสามีกับภรรยาเนี่ยถ้าอยู่กับสามีภรรยาคือมายถึงว่าตอนทันหลักเขาหานี่ยถ้าอยู่แบบรุ่นับก็เป็นยังงถ้าอยู่แบบสามีภรรยาเขาจะขึ้นเตียงนอนแล้วนอนคีออย่เป็นประเทนเลยโดนโดนเป็นแม่เหนือกบวยให้มึงอง แล้วใจดีเป็นแม่เฟอร์เป็นแบบแล้วดีแล้วเป็นแม่เฟอร์ก็เป็นผู้ว่าที่แบบที่โอ้โหนี่ บางทีก็ทั้งวันเลยสามธรรมดาขอดตีบายสามนี่มันมาก่อนแลครับโยนสามธรรมดาเขาเพี้ยงเพี้ยงเขาต้องโยนต้องบ่ายสามห้องนอนอยู่ แต่ว่าเขาอาจะอยู่นานนะครับเพราระา น, น, นอนอยู่นอนก็นอนอยู่แล้วมั่ระวังก็ได้อยสองสองวันสา ว, วันหรือวันเดียวจะนอนเป็นนิจวัดก็ไม่ได้อีก อ, อ, อ, อย่าไปดื่มสุราอย่าไปทําสวนสะทุกสวนสนุกเราไปฆ่าโคฆ่าอะไรมา เดี๋ยวกับเงินก็นมาหายซะเป็นสวนจะทุกข์สิสมสวนสนุกกันซื้อโคมาค้ามาเลี้ยงกันนั่นแ่ะสวนจะทุกข์จะไปทำเขาเคยทำางินอยู่พวงเนี่ยสวนสนุกแตเแเเ่เดี๋ยวนี้ลุงปู่ว้เขาเขาไม่ทำหนอกเดี๋ยวนี้ใครทำมันก็ขาดทุนสุลาต้องงดลง ต้องใช้อะไรต่างๆแนะบ้างของเรางดลงเราประหยัดความประหยัดเป็นเหตุไม่ให้ลืมตัวเพราะคนเรามาศาสตราร์อสอนให้มีเข็มสําหรับตัวเรารับประชุนในเวลาที่มันขาดกลางค่ากลางคืนสอนให้รู้จักจกําเน็ดกําแนี่ความเรื่องชีวิตเราของเราเนี่ยว่าผู้อื่นเราควรทาตัวให้เขาเรื่องง่าย เราโบราณศาตร์จะลาศอนมือกัน <c oughs> กางเกงของเราที่ไหนมันใช่ในสังคมไม่ได้ก็ใช้อยู่ที่บ้านของเราขาดจ้าหัวมันขอให้มันสะอาดเกาช่างหัวมันซ <c oughs> ักไหวรองเท้าขีดเท่าแตะเท่าอะไรเขาเลือกกันะเมื่อขาดแล้วเราก็ต้องซื้อเขาวันใส่บ้างเตะทิ้งเลยเตะทิ้งเลยมันก็ไม่ช่นะชะนังของเงิน ไปตลาดมะเขือก็ ซ, อ ซ, อซื้อมากินบ้างผลมะเขือนะผักก็ซื้อมากินบ้างเด็ดไปซื้อของดีๆเขาเลหอูของสำคัญเลยเลขอกสำคัญที่สุด ยาเลยยาเลยยาเลยให้มันเสียสักตางเลยถ้าเราเสียเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็หมดละห้าร้อยหร้อยแล้วลงวันละร้อยละร้อยนกะปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนไปไม่รอดแต่มารอดเงินเดือนขึ้นแต่ว่าของก็ขึ้นมันก็ อันเก่าแล้วละ่ะถ้าเงินเดือนมม่ขึ้นของเขามไม่ขึ้ น, นก็อันเก่าแล้วละ่ะบอกให้ลูกๆ ล, ล, ล้านเราจะไปขายที่เรียนให้ประเทศญี่ปุ่นมากเดี๋ยวเขาจะมาอยู่นี่พวกเราจะไปอยู่ไหน เขาก็ไม่ม <Tr ish> <os> <suspenseful. S 1> <cop> ีที่อยู่เขาที่นี้กฎหมายกฎหมายของรัฐที่นีหนบอยู่ก็ไม่ไหวละตอนนี้เพราะพลเมืองมันมากขึ้นสมัมลองปูเป็นนักเรียนชิ้นสี่ล้านเศษพลเมืองชิ้สี่ล้านเศษชิ้นสี่ล้านเศษสองพันสี่ร้อยสิบห้าอายุลูงปูอยู่ในระหว่างสิบห้าปีชิ้สี่ล้านเศษ แต่ทุกวันนี้มันปุบชิปล้านเข้าแล้วแผ่นดินเท่าเก่าทีนี่ทีนี่รัฐก็ต้องจะได้แบง่งแผ่นดินให้ประชาชนละทีนี่ถ้าไม่แบ่งก็ให้มันไปอยู่ที่ไหนนี่นี่ข้อสาคัญมากนเพราะมันขึ้นมากวัดก็มีขึ้นมากทีนี่วัดก็มีขึ้นมากทีเมื่อบ้านมากวัดก็มากขึ้นทีเมื่อคนมากโรงเรียนก็มากขึ้นมันอันเดียวกัน ทหารก็ต้องมากขึ้นนะกอั น, นเดียวกันตำรวจตรงนั้นกันนั่นประเทศไทยมันทำมันอยู่แล้วทิ่สุนสาเมเณรจำนวนหลายแสนเนี่ยถ้าไปอยู่กองคาร า, าวาสสิบ้านมันเอย๋ยไรมันเอย๋ยนามันเอย๋ยอะไรมันเอย๋ยสี่ห้าแสนองค์ไปดูดูออกบ้านออกไปสร้างคาราวาสดู ด, ดูมันเป็นทำทำทำมันอยู่แล้วเนี่ย ทำประยัดอยู่แล้วเนี่ยให้พวกนี้ไปสร้างคารวาดูดสินั่งบ้านมันเอืรถมันเอืเรือมันเอ๋ยที่ดินมันเอื้สวนมันเอือะไรต่อเอื้อที่ดินไม่พอนี่มันเป็นมันอยู่แล้วพระสุทธศาสนเองอยู่นี่ก็ตัองหลายจังหวัดฝ่าศรีห้าสิบปงนี่หลายจังหวัดอยู่นี่ถ้าใไป คองคาว่าดูๆนี่ยทั่วไม่ค้าไม่ขี้ทีนี่ทั่วไปใคาไม่ขี้เขาเขาก็มาบวชทีนี่เขาไม่ไปเอาผัวนี่อันนั้นก็ทำมันแล้วนะ<ม>พูดถือพระพุทธ ศ, ศาสนาทีนี่วันพระเขาก็ไม่สูงสิงกันนั่งก็ทํามันอยู่ในตัวแล้วนะ<ม>พวกประเทศชาติ อ, อื่นๆไม่ทํามันน่ะไม่มีพระพุทธศาสนานะออื ร่วงประเวณีกันไม่รู้ว่าวันพระวันเจ้าอืพวกอื่นๆก็เหมือนกันไม่ถือพระพุทธศาสนาคนเกิดมามากีไม่มีที่อยู่ที่กินก็มาชิงประเทศไทยนี่รู้จักไหมนั่นก้อนไยรัฐบาลคุมไม่อยู่หรอกเพราะลูกมาหลายคน ลูกเกิดมาก็ลูกรัฐบาล น, นั่นเองรัฐบาลเป็นผู้สร้างลูกออกมาถูกไหมค่นั้นจิงอยากจะให้มีตำรวจอยู่นี่อกคนหนึ่งแหละไปจำอยู่นี่บ้างเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เพราะเกง่งวนะ่าเนี่ีแต่เวลาไย้ไปทางอื่นก็มาให้จริงองเอาทำเนาเดิมไหวอ่ะฮะ คนคนนี้บางทีย่ายก็เอาคนอื่นมาแทนสำเนาอย่าให้อย่าย่ายเนอะตามเดิมไม่สำเน า, เ ด, นาเดิมสำเนาเดิมจะรักษาไว้เออเดี๋ยวเขามารักพาพุชถั่ไป <c oughs> <c oughs> ไปไปจุกจุกโอ้โหตำรตะโกตำรวจตะโกอือพทธตำรวะโกบายหัวตำรวจได้ไปเฉยๆบายได้หัวตารวจมิจาานี่หทะโกุทรวจะโกมาอ่านี่หอบายหัวตรวจได้ไปเฉยๆบายหัวตำรวจได้โทธตำรวะโก พุทธโมตะโมตะนะมีั้งตัมก้เอออตัมพุทตะโกทมตกพุทโมตกลูกหลานเขาเป็นตรวจทหารเต็มเเดียวนี่นี่ปว้ยบท่อสิ่นนะพุทตะโกพทธโมตะโกพุทมตะโกอุทธโมตะโกเทเป็นบ้านทหารเป็นัูกอ๋อ ตัวมัวตะโขผัวตัวตะัวตะโตัวมัะโตัวมะโตัวมะโตัวมะโตัวมะโตัวมะโตัวมะโตัวมะโออเออผตะมัวะโตัมะโมะโโอ้จากปาพราตำรวจหมือนเาฮ่า่ข้าไปเาตำรวจ เขาตัวมันตัวอักแล้วไปนกั้องอ๋อันัวอกเฉยนะ้ะไปเออโอ้โหตอ่อมานตัวอักตัวตัวแม่เจ้านเนียอุรนี่ถูกม้ยจคนน้ำกัน่ ตัวมาต้องอดอเนาะบ้านเกิดมักงนอเข้าก็อยูดอนเอนอเอ อ, อ, อ, อ, อ, อบ้านเราบ้านเดือนบนข้าวเราเมืองก็รลอบอยู่เออเสือเขี้ยนจ้ะลูกลูกล้านหลานถ้วให้เขาหลอไปประเทศญี่ปุ่นเนอะไปตายยังไปเธอแม่ไปรับแขกอะ ไปนี่แม่ไปรับแขกอะเออไปรับแขกเข้าหมารับแขก